เรื่องบุญที่ทําๆปัจจุบัน ที่ได้ๆมาเทรนกันอย่างขมักเขม้นส่วนที่ว่าจะ มีเพียงคนเดียวหรือน้อยกว่านั้นเพียงๆ ไม่ใช่ใครทําทําไปหลายปีๆๆหมายความว่าไม่ และคุณสมบัติลึกลับอันประจักษ์จากที่มาที่ไป แต่อยากชี้ว่ามีเรื่องของบุญซึ่งครูนคิ 1 แตคิด การมีแกใจช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้จิตเปิดกว้างไร้ขอบเขตนั่นหมายความว่า สิ่งก็ตรงข้ามกับจิตที่เปิดคือความสามารถเลือกสรร สรุปคือยิ่งเมตตาขอให้ลองดูสักระยะจนเริ่มมีความสุขกับการคิดเกื้อกูลโดยไม่หวังผลตอบแทนไหร่ฐานของๆ คุณตื่น 2 คิดนอกกรอบๆขมวดเข้ามากระจุ๊ก การเอาแต่คิดหาไอเดียนั่นแหละคืออุปสรรคของการ ปราศจากความพร้อมที่จะคิดคลี่คลายปมต่างๆได้ไหวขอเพียงรู้เคล็ด กายจิตเป็นอย่างไรเครื่องแสดงออกของจิตจิตเครียด การคิดนอกกรอบ 2 ข้อข้างต้นนี้ก็คือการให้ สติที่เท่าทันจิตของตนเองจะทําให้ แต่ไม่ดึงความสนใจใครต่อใครได้ลึก ไม่ได้เกิดจากการพยายามสร้างสรรค์ความคิดแต่เกิดจากการฝึกจิตให้พร้อมจะคิดสร้างสรรค์สร้างสันความคิดแต่เกิดจากการฝึกจิตให้พร้อมจะคิดสร้างสัน จะเป็นแค่ทุก